ช่วงวันอาทิตย์นี้ก็มาขึ้นเนติปรกรณ์ต่อแล้วนะเพราะว่าคาพีเนติปรกรณ์เราคงไม่ลืมว่าเป็นคำพีที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานเชื่อว่าเนติคาว่าเนติหมายถึงนำไปสู่มรรคผลนิพพานตรงกันข้ามกับตันหาที่นำไปสู่ภพสามตันหานี่ก็ชื่อว่าเนติเหมือนกันเพราะว่านำไปแต่ว่านำไปสู่ภพสาม คำพีเนติปกรณ์ที่พระมหากัจจยนะเรียบเรียงตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็นําไปสู่มรรคผลผนิพานเนติหาระปะกรณ์นั้นเป็นคมภีร์ที่ประกอบไปด้วยหลักใหญ่ๆอยู่สาประการอันที่หนึ่งเรียกว่าหาระอย่างที่สองนยะอย่างที่สาเรียกว่ า, าศาสนประทาน หาระก็คือวิธีกําจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าเพราะว่าผู้ที่ศึกษาหาระเนี่ยนะทำให้ไม่เข้าใจผิดในพยัญชนะทั้งหลายว่าพยัญชนะที่พระผู้มีพระภาคแสดงนั้นมีพระประสงค์อย่างไรส่วนนยะนยะนั้นเป็นวิธีที่จะทําให้เข้าใจอัฏฐว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมนั้น ขอบเขตกว้างขวางการเชื่อมโยงไปหาหมวดธรรมอื่นๆนั้นเป็นอย่างไรส่วนาศาสนประธานนั้นเป็นวิธีการตั้งพระสูตรว่าพระสูตรแต่ละอย่างนั้นเป็นลักษณะใดว่าพระสูตรเหล่านี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรแสดงกับใครนะเช่นเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงกิเลสเรียกว่าสังกิเลสะภาคยะหรือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปเป็นสูตรเป็นของพระเสขะหรือของพระเส ข, อขอะ เป็นสูตรที่เป็นวัตถาวิวัตตาเป็นต้นนั้นลักษณะของศาสนประธานจะบอกพระธรรมเหล่านี้ว่าโครงสร้างของพระสูตรแต่ละสูตรนั้นเป็นอย่างไรนั้นใครที่ศึกษาศาสนประทานจะเข้าใจโครงสร้างของพระธรรมโดยเฉพาะพระสูตรว่าเนื้อความพระสูตรในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนื้อหาจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เรากําลังศึกษาถึงหาระยังอยู่ในเบื้องต้นอยู่เลยเนี่ย หาระก็ทั้งหมดมีกี่หาร ะ, ะรจำชื่อหาระว่ามีเท่าไหร่ได้ก็ยังดีถ้าไม่ได้ก็เสียละหาระมีสิบหหนหาระทั้งหมดนี่มีสิบหกนะวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในคําสอนเนี่ยมีอยู่ส6บวิธีด้วยกันแต่และ ว, วิธีนั้นเกื้อกูลมากที่จะทำให้ไม่เข้าใจผิดในคําสอนวิธีที่หนึ่งหรือหาระที่หนึ่งเรียกว่า เทศนาระเนี่ยนะวิธีการกําจัดความหลงความสงสัยที่กล่าวถึงเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศนากี่อย่างหอย่างนะแสดงอัาธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายและอนัตเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้ก็จําต้องวิจัยใช่ไหมเอาหลักอะไรมาวิจัยเอาวิธี11วิธีมาวิจัยนะมีวิจัยบทวิจัยปุจชาวิสัชนาวิจัย ปุภาระคำหน้าคำหลังวิจัยอัสสาธาอาทีนวานิสรณะผลอุบายอานัตและก็อนุขีติเนี่ยนะวิจัยส1บอประการเรียกว่าวิจัยยะหาระทีนี้เมื่อวิจัยอย่างนี้เสร็จแล้วต่อมาก็ต้องศึกษายุติคือหาความสมควรเนี่ยนะยุติแปล ว, ว่าสมควรหาข้อยุติว่ายุติลงที่ไหนหาความสมควรว่าสมควรที่ไหน สมควรตามหลักปริยัติไหมสมควรตามหลักปฏิบัติไหมอันนี้ต้องหาข้อสมควรให้ได้เมื่อหาข้อสมควรอย่างนี้ได้เมื่อพบพระธรรมก็ต้องศึกษาปัจจัยปัทถฐานกับปัจจัยนี่อันเดียวกันใช่ไหมปัทถฐานเนี่ยปะฐานะเนี่ยฐานะแปลว่าเหตุปะตัวนั้นก็หมายถึงใกล้ๆหน่อยนะก็คือเหตุใกล้ปัทถฐานแปลว่าเหตุใกล้เหตุใกล้ของธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น เหตุใกล้ของวัตตะหรือวิวัตตะว่าวัตตะมีอะไรเป็นเหตุใกล้วิวัตตะทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุใกล้เราเคยมานั่งนึกนึกไหมว่าเอ๊ะถ้านั่งนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยเหตุใกล้ของวัตตะหรือวิวัตตะต้องต้องดูนะว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งที่เราสมมตินั่งลงเมื่อไหร่ป้านึกเลยว่านี้ประทัดฐานของวัตตะหรือวิวัตตะเนี่ยนะก็คงพอวัดได้นะถ้าเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระก็ใช่เลยแหละ ประทัดฐานของวัตตะแต่ถ้ากุศลศีลเป็นต้นก็เป็นประทัดฐานของวิวตตะนั้นก็หาประทัดฐานเมื่อหาประทัดฐานอย่างนี้ได้แล้วต่อมาต้องรู้อะไรอีกลักษณะหาระเนี่ยนะเพราะว่าการแสดงธรรมในที่เดียวไม่สามารถจะพูดได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าลักษณะหาระเนี่ยแปล ง, ง่ายๆว่าลักษณะหาระที่รู้กันเนี่ยนะเป็นที่รู้กันเมื่อพูดน่ยนะ เหมือนอะไรเหมือนก็ใครที่ทําอะไรเป็นกลุ่มนะเห็นคนเดียวแปลว่าเห็นทั้งหมดเนี่ยนะเหมือนก็ชี้ให้ดูบ้านดูแต่หน้าบ้านก็พอไม่ต้องไปชี้ถึงหลังบ้านหรอกนะชี้เฉพาะหน้าบ้านก็พอก็เรียกว่าเอาพูดแต่ส่วนเดียวก็พอเมื่อวานไปดูทะเลกันมาเนี่ยนะสอบพาไปดูน้ําตากระไรเนี่ยได้เวลาไปดูน้ําตาแล้ว่น้ําตาเรามากกว่าน้ําทะเลมาสมุดเนี่ยไปเห็นน้ําทะเลนี่ถามว่าเห็นทะเลทั้งหมดหรือเปล่าไม่หมดนะ มันก็เห็นได้แต่บางส่วนท่านการแสดงธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนี่นะลักณะหาระลักษณะหาระจะรู้ว่าแสดงอย่างหนึ่งที่เหลือก็ชื่อว่าแสดงแล้วพอลักษณะหาระจบอะไรต่อจะตบพยุหะหาระเนี่ยนะก็คือวิธีพิจารณา4ประการวิธีพิจารณาอะไรนิรุตตินิรุตมะทิปายโยเนี่ยก็คือพิจารณานิรุตติก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัพ์แสงเกี่ยวกับเรื่องหลักพยัญชนะทั้งหลาย เมื่อรู้นิรุตอย่างนี้แล้วอะไรต่อมาต้องรู้ความประสงค์ใช่ไหมว่าการพูดคำมะทั้งหมดพระองค์ประสงค์อะไรพระองค์ต้องการให้เรารู้อะไรอันนั้นเป็นอธิบายทีนี้เมื่อจ ะ, อะเข้าใจถึงอธิบายก็ต้องชีฐ้ฐานนิทานคือเหตุว่าเหตุของสิ่งนั้นๆเนี่ยเกิดจากอะไรเรียกว่าอธิบายะอธิบายยะอธิปายะปา ย, ะะปายะเนี่ยจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยนิทานนีนะ คือนิทานเนี่ยเป็นตัวชี้ให้เห็นชัดเพราะนิทานคือต้นเหตุเนี่ยนิทานคือต้นเหตุเมื่อรู้ต้นเหตุอย่างนี้ก็หลักการเชื่อมโยงเรียกว่าอนุสนธิเนี่ยนะเชื่อมโยงอะบทเชื่อมโยงบทเชื่อมโยงอัถฐเชื่อมโยงอะไรอีกเชื่อมโยงบทอัถะเชื่อมโยงเทศนาและเชื่อมโยงมีสอย่า ง, งนะสนธิสี่มีอะไรบ้าง ก็คือนิเทศสนธิ น, นะเชื่อมโยงโดยการนิเทศนิเทศก็คือแ น, นอะนำะมันเมื่อพิจารณาหาระทั้งหกดังกล่าวไปหที่กล่าวไปแล้วหนึ่งเทศนาสองวิจยะสามยุติสี่ประทับฐานห้าลักษณะหจจตุ ป, ปยุหะวันนี้ก็มาขึ้นหาระที่เจ็ดเนี่ยนะอาวะัตะหาระ อาวตตะหาระ น, นี่ลองไปดูหน้าสองรอยห้าสิบสองก่อนนะหน้าสองร้อยห้าสิบสองซึ่งกล่าวถึงเนื้อหาโดยย่อของอาวัตตะหาระอาวตตะนี้ก็แปลว่าการหมุนเนี่ยนะแต่เป็นการหมุนแบบพลิกอะ่ะไม่ใช่หมุนเฉยๆนะอ่าเรียกว่าหมุนแบบตรงๆแล้วก็พลิกเพื่อจะดูอีกข้างหนึ่งด้วยอันนัเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับดูล้อมันหมุนใช่ไหม ล้อมหมุนไปอ่ะแล้วก็พลิกมาหมุนอีกข้างหนึ่งแล้วหมุนดูก็ลักษณะนั้นอ่ะเป็นลักษณะของอวัตตหาระที่กล่าวว่าสภาค่าธรรมและวิสภาฆ่ธรรมทั้งหลายย่อมถูกหมุนไปด้วยวิธีนี้หรือในวิธีนี้เพราะเหตุนั้นวิธีนี้ชื่อว่าอาวะตตหมายถึงลักษณะหมายถึงหาระที่มีลักษณะการหาประฐานของธรรมที่ยกขึ้นสู่เทศนาแล้วหมุนกุศลธรรมอกุศลธรรมอันเป็นสภาคะ และวิสภาคะไปตามททฐานเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าใครที่เรียนมงคลสูตรมาแล้วเนี่ยจะลองมามาหมุนดูมาหมุนข้อมุนกันยังไงนะถ้าดูตามมงคลสูตรก่อนนะอย่างยกตัวอย่างว่าบูชาจะปูชนียานังที่แปลว่าการบูชาบุคคลที่สมควรบูชาถามว่าการบูชาเนี่ยนะอย่างอย่างยกพระพุทธรูปทําพุทธบูชาเนี่ย หรือยกดอกไม้ทำพุทธบูชาการบูชา น, นี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้นนะมีอะไรเป็นเหตุใกล้บอกว่ามีโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้เอาแล้วโยนิโสมณัสิการมีอะไรเป็นเหตุใลกล้ล่ะก็การคบสัตบุรุษเป็นต้นเนี่ยนะสรุปว่าผู้ที่บูชาได้เนี่ยก็อาศัยโยนิโสมณัสิการอาศัยการคบสัตบุรุษอาศัยการฟังธรรมเป็นต้น นนะปัจใจสืบสืบมาตั้งหลายอย่างกว่าจะได้บูชาอย่างวันนี้นะวันนี้เนี่ยเป็นวันทำพุทธบูชาคือเอาผ้าไปบูชาพระประถมเจดเีย์ในชั้นบนถามว่าถึงเมื่อถึงเวลาการบูชาเนี่ยโดยการเอาผ้าไปถึงก็กล่าวคำถวายบูชาแล้วเอาผ้าเนี่ยล้อมบูชาเสร็จถามว่ากุสมตอนนั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้บอกใกล้ๆตรงนั้นก็โยนิโสมนสิการ ก่อนที่จะโยนนิโสมนั ส, สการตรงนั้นมาจากไหนก็มาจากการฟังธรรมมาเป็นอย่างดีฟังหรืออาจจะคิดอีกในหนึ่งก็เพราะมาจากมีศรัทธานะมีศรัทธาแล้วศรัทธาเกิดจากอะไรก็เกิดจากการเอาไปไข่ครวนใคร่ครวนก็มาจากการฟังการฟังก็เนื่องจากการครบสรรัตว์บุตรที่ครบสัตว์บุต ร, รก็เพราะอาศัยปฏิรูประเทศปฏิรูที่ได้อยู่ในปฏิรูประเทศเพราะว่าตัวเองได้ทําบุญเก่ามาดี อดีตที่ได้ทําบุญเก่าไว้ดีก็เพราะว่าอัตตะสัมมาปณิทิตั้งตนเอาไว้ชอบเพราะฉะนั้นก็มีเหตุไล่กันนะทุกอย่างก็จะมีเหตุมีปัจจัยไปเรื่อย ๆ, ๆอย่างนี้การหาประทัดฐานอย่างนี้อันนี้เรียกว่าหาแบบตรงๆใช่ไหมแบบลักษณะประทัดฐานนหาระจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอาวัตตหาระเนี่ยนะพลิกกลับมาเลยตรงกันข้ามกับบูชาคืออะไรก็ไม่บูชา ไม่บูชาไนี่ททำไงก็ยืนเตะท่าแบบมีมานะนะตอนนั้นน่ะเคยเห็นใครเดินไปเจดีย์ร่ายืนอะไรเนะี่ยเท้าสะเอวแล้วนะหมาอย่างไม่ใช่กุศล น, นะนะนึกเอากันแล้วกันไม่บูชาเลยนะไปเจดีย์นครปฐมเนี่ยนะมันมีอะไรให้ได้คิดอย่างสัตว์เขามีพวกไปบูชาพระเจดีย์นะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ถ่ายสิ่งปฏิกูลลงพระเจดีย์อีกใช่ไหม มีไหมพวกถ่ายบุตระลงเจดีแล้วก็ทําให้มีคนได้บุญอีกไปปัดกวาดเช็ดถูอีกอย่างเงีนนะ้กลุ่มนี้เขามีกลุ่มไม่กวาดกับกลุ่มเกียงเอาไว้เช็ดเอาไว้ซ้อเนี่ยนะเขามีกระดาษมีอะไรนะก๊อตไบรเไ์เอาไว้ขัดเอาไว้ถูมีผงอีกนะมีอะไรนะน้ะํายาฉีดล้างเช็ดปัดกวาดถูก็กลุ่มนี้เลยได้บุญเลยเพราะกลุ่มนั้นได้บาปแทนก็พวกที่ เป็นเดรัจฉานอยู่ที่นั่นเช่นนกพิราบเป็นต้นก็ถ่ายอุจระลงตรงนั้นคนอื่นเขาไปบูชาใช่ไหมเจ้านี้ไปถ่ายอุจระลงถามว่าที่เขาถ่ายอุจระลงอย่างนั้นไม่มีจิตคิดบูชาเลยเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุไปก็เพราะอายโยนิโสมนสัสการทำไมเขาจึงอยโยนิโสมนสัสการเพราะเขาเกิดมาไม่เคยฟังธรรมเลยที่เขาไม่ได้ฟังธรรมเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเนี่ยง ที่เขาไม่ได้ฟังธรรมเพราะเกิดเป็นเดรัจฉานทำไมเขาจึงเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะว่าอากุศลกรรมนําเกิดทําไมเขาจึงทําบาปอย่างนั้นเพราะว่าเขาเขาคบคนผ่านเพราะเขาคบคนผ่านเขาจึงทําบาปทํากรรมไอลักษณะอย่างนี้แหละเป็นเป็นเหตุใกล้ของการไม่บูชาเพราะฉะนั้นก็เลยได้บินถ่ายอุจจาระรถพระเจดีย์ซึ่งต่างกันใช่ไหมดงนั้นเหตุใกล้ของเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะที่ ที่ได้ไปมีโอกาสถ่ายอุจาระรถพระเจดีย์ขนาดนั้นเนี่ยนะก็มีเหตุใก ล, ล้ไปเรื่อยๆใช่ไหมมีเหตุมีปัจจยัยของเราทั้งหลายที่ไปทำบุญบูชาพระเจดีย์ก็มีเหตุเหตุใกล้ประทัฐานท่านก็ต้องมองเขาว่ามองแบบคนไปบูชากับคนที่ไปทําลายพระเจดีย์มีอะไรเป็นเหตุใกล้หรือลัอกษณะเราเข้าไปในวัดใช่ไหมไปถึงก็ไปกราบพระพุทธรูปและเลิกถึงพระพุทธคุณก็เสืบมาดูว่าเอ๊ะ ที่มีศรัทธาน้อมใจกราบพระพุทธพระพุทธรูปเป็นต้นและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้กับใกล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถอยหลังอย่างนี้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มองบอกก็มีคนไปขโมยพระพุทธรูปใช่ไหมบอกใช่ทําไมเขาจึงมาขโมยตัดหัวด้วยนะตัดหั ว, วพระพุทธรูปอย่างนีน้เขามีอะไรเป็นเหตุใกล้ทําไมเขาจึงทําบาปทํทตาตําขนาดนั้นการฝึกคิดในลักษณะนี้เรียกว่าอาวัตตหาระคือมองทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาป มองบุญพร้อมทั้งเหตุใกล้มองบาป พ, พร้อมทั้งเหตุใกล้ถ้าคิดห ย, ยาบๆเลยก็เห็นมนุษย์เออมนุษย์เนี่ยเขาเกิดมาด้วยผลของบุญนะทําไมเขาบุญอะไรเนาะนาเกิดมีอะไรเป็นเหตุใกล้สาวไปหาทีนี้เห็นสุนัขวิ่งโซ่อะไรตัวหนึ่งก็มาคิดเนี่ยหมาตัวนี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้เนีะทำไมจึงมาเกิดเป็นอย่างนี้ก็คือฝึกคิดทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วอันนะัทั้งบุญทั้งบาปลักษณะนี้แหละเป็น อาวัตะหาระทนี้วิธีหมุนเขาก็ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกมาเช่นว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีโยนิโสมนัสการกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาผนกุศลธรรมที่เกิดการบูชาพระพุทธเจ้าก็มีโยนิโสมนัิการเป็นเหตุใกล้หรืออีกในหนึ่งนะี่นะบอกว่าความเป็นผู้มีกาลยาณมิตร เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อนัสกละมิดังอานันทะ ร, รมจริยสะยะิดังกาลยาณมิตรตาดูก่อนอนอนุนความเป็นผู้มีกาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์เป็นชื่อของไตรสิกขาคือที่ศีลสิกขาที่ จ, จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขากาลยานามิตรนี้ทําให้มีไตรสิกขาคือทําให้มีพรหมจรรย์มีศีลสมาธิและปัญญา หรือยกอา น, นิสงส์อย่างอื่นขึ้นมากล่าวอีกว่าพิสูจนทั้งหลายอา น, นิสงส์ในการฟังธรรมนี่มีห้าประการเหล่านี้ห้าประการอะไรบ้างฟังธรรมะนะหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองทำสิ่งที่เคยฟังมาแล้วให้แจ่มแจ้งสามทำให้หายสงสัยสี่ทำความเห็นให้ตรงห้าจิตของผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์ห้าประการของการฟังธรรมสรุปว่าการบูชานี้ก็ต้องอาศัย อะไรเป็นเหตุใกล้อาศัยโยนิโสมนั ส, สการอาศัยความมีกัลยาณมิตรอาศัยการฟังธรรมมาอันนี้แหละเป็นเหตุใกล้จึงได้บูชาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยนะก็ยากที่จะได้บูชาเมื่อวานโยมเล็กมาเล่าให้ฟังเขาว่านี่นะพ่อได้มาคบกัลยาณมิตรคบอาจารย์สันติเลยนะเลยได้ไปบูชาพระเจดีก่อนนะว่างนะั้นเอาไปบูชาพระเจดีที่อยุธยานั่งน่างั้น ก็อันนี้ก็คืออันนี้สอง้องการคบกัลยาณมิตรเลยทํามไม่ได้บูชาพระเจดีย์นะทําไมหรืเ้าว่างั้นนะว่าปกปตินี่แวนวงของผมมีแต่นักเลงเขว่างนะั <g> ้น <ül> ก็แสดงว่าตอนนั้นมันคบปาประมิตรก็นัน <g> ก <ül> ็แสดงว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยนะถ้าได้ตอนคบมิตรดีก็ทําบุญอนะ่ะตอนคบปาประมิตรก็ไม่ใช่บุญนี่ก็เหมือนกันแล้วแต่เราคบใครนะก็ลองดูนะ ถ้าครบใครแล้วเดรชานกระถาเต้มไปหมดเลยก็ตอนนั้นไม่ใช่กาลยานมิตรเน่นะถ้าครบแล้วก็กุศลธรรมเจริญแสดงว่ากาลยานมิตรของเรานี่รับได้ทั้งสองบทบาทเลยนะว่าเป็นพักๆไปทีนี้ก็อาโยนิโสมนสิการเนี่ยนะอโยนิโสมนสิกานนี่ก็มาหมุนดูประทัดฐานใช่ไหมเหตุใกล้ของอาโยนิโสมนสิกาเหตุใกล้ของอากุศลคือ อโยนิโสมนาสิการเพันอโยนิโสมนาสิการเนี่ยนะที่บุคคลใดมีหรือบุคคลใดมีอโยนิโสมนาสิการอากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแผ่ขยายเพิ่มพูนยิ่งขึ้นสมมุติถ้าเราจะโยอโยนิโสยังไงให้มีโทสะอันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมหาเรื่องที่สมมุติเราไม่ชอบเรื่องอะไรอยู่แล้วนะมันอโยนิโสจะประดังเข้ามา สมมติถ้าเราไม่ชอบหน้าคนสักคนหนึ่งเนี่ยนะด้วยเหตุผลบางอย่างว่าเราไม่ชอบเลยคนนั้นที่เหลือนะัเราคิดเรื่องคนนั้นมองลบหมดเลยอันนั้นแหละการคิดแล้วย้ำแล้วย้ำอีกอันนั้นเป็นลักษณะของอโยนิสโสมนัสิการที่ก่อให้เกิดโทสะปฏิฆานิมิตมีอยู่การใส่ใจให้มากโดยอะโยนิสโสมนัสิการในปฏิฆานิมิตอันนั้นเป็นอาหารของพยาบาท โทษะเนี่ยนะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็พอกพูนงามนะนะพันนี้ต้นต้นสวยนะขึ้นงามมากประดุษไฟเนี่ยนะเติมฟืนเท่าไหร่นะไฟยิ่งงดงามเท่านั้นราคาก็เหมือนกันนะถ้าเรามองอะไรมันงามอย่างเดียวนะเราก็จะคิดแต่มองแต่แง่ดีไปหมดเลยอันนั้นการโยอโยนิโสมนสิการในสุภาพนิมิตแบบนั้นอันนั้นเป็นเหตุใกล้ของอะไร ของกามฉันทะเนี่ยนะนั้นอะโยนิโสมนัิการเนี่ยแบ่งแบ่งนะว่าอาโยนิโสมนัิการอะไรให้เกิดโลภะอโยนิโสมนัิการอะไรให้เกิดโทสะอโยนิโสมนัิการในอะไรทําให้เกิดถีนมิทะอโยนิโสมนัิการในเรื่องอะไรทําให้เกิดอุทธจักุกุจะอโยนิโสมนัิการในอารมณ์ใดแล้วก่อให้เกิดวิจิกิจฉาพราะนพวกนี้อาศัยอโยนิโสมนัิการ อโยนิโสมนัสิการเนี่ยเป็นอาหารอย่างดีของนิวรห้าเนี่ยนะเป็นอาหารอย่างดีของนิวรห้าเลยแหละทีนี้การที่เรากล่าวถึงเหตุปัจจัยประทัดฐานทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลสามารถพลิกกลับไปกลับมาได้อย่างนี้แหละเรียกว่าอาวตตหาระเพราะฉะนั้นเมื่อกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น วิธีถ้าใครทรงจําได้นะจำอวิชาสูตรกับตันหาสูตรเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยนะใช้ได้หลายเรื่องมากเลยในพระไตรปิฎกเนะี่ยทรงจําสูตรนั้นนะอวิชาสูตรกับตันหาสูตรคือลักษณะสองสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ที่กล่าวถึงวัตะกับวิวตะว่าวัตะนี้ก็มีอาหารใช่ไหมวิวตะก็มีอาหารไอตัววัตตเนี่ยนะต้นขั้วของวตะเนี่ยคืออะไรอวิชา อวิชากับภวะตันหาพงษ์ก็บอกว่าอวิชากับภวะตันหามันก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีและอะไรเป็นอาหารของอวิชากับภวะตันหาก็นิวรณ์หนิวรณ์ห้ามีอะไรเป็นอาหารทุจริตสามทุจริตสมีอะไรเป็นอาหารอนะไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอาหารแล้วทําไมไม่สำรวมอินทรีย์ล่ะมีอะไรเป็นอาหารไม่มีสติสัมปชัญญะทําไมไม่มีสติสัมปชัญญะ เพราะไม่มีโยนิโสมนาสิกาทำไมไม่โยนิโสก็ไม่มีศรัทธาทำไมไม่มีศรัทธาล่ะเพราะไม่ได้ฟังธรรมทำไมไม่ฟังไม่ครบสาบลูทำไมไม่ครบล่ะเพราะไปอยู่ในปฏิรูประเทศอ่ไม่อยู่ในปฏิรูประเทศเอาแล้วทำไมไม่ไปอยู่ปฏิรูประเทศอ่ะอ่ไม่มีโปรเพกตปุญญาตาทำไมไม่ทำบุญไว้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะก็ไล่ไปอย่างง้ยนะ ทีนี้ตรงกันข้ามกับอวิชากับภวะตัญหาคืออะไรคือวิชากับวิมุดวิชากับวีมุดเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมพลิกกลับมาอีกฝ่ายหนึ่งเลยวิชากับวีมุิเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอวิชากับภวะตันหาวิชาวีมุิก็มีอาหารนะมีประทัดฐานเหมือนกันอาหารของวิชากับวีมุดคือโพชงเจ็เอาโพชงเจ็ดมีอะไรเป็นอาหาร สติปฐานสสติปฐาม 4, มปนาาสี่มีอะไรเป็นอาหารสุจิริสาสุจิริสาก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารอินทรีสังวรอินทรียสังวรมีอะไรเป็นอาหารสติสัมปชัญญะทำยังไงจะมีสติสัมปชัญญะล่ะโยนิโสนสิการทำยังไงจึงจะมีโยนิโสฟังพระสัตธรรมทำยังไงจะได้ช่องธรรมครบสัตบุตรทำยังไงจึงจะได้ครบสัตบุตร อยู่ในปฏิรูปประเทศที่สมควรทํายังไงจะได้เกิดในประเทศที่สมควรมีปเุเพกตปุญญตาทํำยังไงจึงจะได้บุเพกตปุญญตาอัตตสัมมาปณิทถิถ้าตามที่ฟังดูนะเรากําหนดพบต่อไปได้แล้วหนึ่งต้องต้องอัตตะสัมมาปณิทิเอาไว้ให้ดีอันนี้ถ้าดูตามลําดับที่กล่าวไปใช่ไหมหนึ่งตั้งอัตตสัมมาปณิทิให้ดีตั้งว่าอย่างไงก็ตั้งให้มีให้ ตั้งเพื่อวิชากับวิมุตต์เนี่ยนะทีนี้ถ้าตั้งเพื่อวิชาวิมุตต์ที่เราเรียกว่าปรารถนามัคผลนิพัน์เนี่ยเราตั้งความปราถนาเพื่อบรรลุมัคผลนิพนนันธ์ใช่ไหมอันนี้เป็นอัตตาสัมมาปณิทิของเราเมื่ออัตตาสัมมาปณิทิตั้งไว้อย่างนี้แล้วทํำยังไงจึงจะได้อะปรารถนาอย่างเดียวพอไหมไม่พ อ, พอแล้วทํำยังไงจึงจะคุณธรรมอะไรที่ให้คู่ควรอะก็มาเจริญกุศลแลรทำเหล่านั้นอันนี้เรนะียกว่าปุพหะเอ่ออะไรนะ ปุะโยคะเนี่ยนะหมายถึงว่าต้องทำบุญเอาไว้ให้คู่ควรคือการธรรชาตินี้ก็คืออ่านพระไตรปิฎกฟังพระไตรปิฎกพิจารณารรมเจริญตามคำสอนให้มากเจริญเอาไว้ให้ดีแบบพระพาหิยะนะแบบพระพาหาิยะทารุจริยะในอดีตชาติแบบท่านประกุดสติในอดีตชาติเป็นต้นเนี่ยตอนที่ท่านทำบุญนีไอตอนบาปไม่เอาตอนที่ท่านทำบุญนะทำบุญหมือนกับท่านเป็นต้นเอาไว้อย่างดี หรือรักษากรรมฐานเจริญกรรมฐานเอาไว้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นปุเพกะตะปุญญ า, าเมื่อมีบุญอันนี้เนี่ยนะก็จะทําให้ไปเกิดในปฏิรูประเทศเมื่อได้เกิดในปฏิรูประเทศก็จะได้ครบศักด์บุรุษนะถ้าได้ครบศักดบุรุษก็ถือว่าเป็นอันว่าต้องได้ฟังทำเพราะว่าคนดีทั้งหลายนะเขาไม่ยอมนิ่งหรอกเขาจะต้องพูดให้เราฟังเห็นถ้าเห็นเราไม่ดีเขาต้องพูดอยู่แล้วละ่ะทีนี้เมื่อเราได้ฟังก็จะเกิด ศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็จะทำให้เกิดโยนิสโสมณสิการเป็นต้นไม่นานสักเท่าไหร่ก็จะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะเขาให้เจริญไปตามนั้นนะแต่ว่าต้นเหตุต้นตอเนี่ยสำคัญมากอันนี้คือโครงสร้างคร่าวๆของอวต า, าระเนี่ยคงพอมองภาพออกนะว่าลักษณะของอวต า, าระเขาเป็นอย่างนี้เช่นว่าถ้ากล่าวตรงๆถึงฝ่ายดาแล้วก็มาไล่ประทัฐานของฝ่ายดาทั้งหมดว่า ฝ่ายดำนี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้แล้วก็พลิกไปหาฝ่ายขาวแล้วก็สาวลงไปอีกว่าฝ่ายขาวเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้ลักษณะอย่างนี้แหละเป็นอาวตหาระเพรา ะ, ะอาวัตหาระนี่ใครจะมีได้ก็ต้องประทับฐ า, าระก็ต้องแม่นหน่อยนะนี่มาดูภาพพิสดารเมื่อกี้แบบย่อ